กระดิ่งวิเศษกาลครั้งหนึ่งในป่ามีลิงอาศัยอยู่ชื่อร็อบบี้ร็อบบี้มักจะช่วยเหลือสัตว์อื่นๆเสมอเขาจะช่วยช้างดึงผลไม้สดออกมาและช่วยดูลูกกวางเมื่อแม่ของมันออกไปข้างนอกรวมถึงช่วยพากระต่ายข้ามแม่น้ำบ้านของร็อบบี้คือต้นไม้ที่แข็งแรง และสูงใหญ่ตั้งอยู่กลางป่าสัตว์ต่างๆรู้ว่าจะหาโรบบี้เจอได้ที่ไหนเขาจะนั่งอยู่บนต้นไม้เล่นฟลุตของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือโรอบบี้เล่นฟลุดได้ไพเราะมากอยู่นี่เองโอบบี้เต่ากำลังตามหาอยู่พอดีเขาอยากให้ช่วยเขาเรื่องสอสอของเขาเง้นเหรอ คือว่าฉันไม่ได้อยู่ฟังจนจบแต่ฉันเดาว่าน่าจะเป็นสวนมังอ๋อใช่เขาบอกฉันเมื่อวานนี้นะเราไปกันเถอะบอกฉันหน่อยสิว่าทำไมนายถึงชอบเล่นฟลุดอยู่ที่นี่ล่ะเออไม่รู้สิฉันรักต้นไม้นี้นะฉันรู้ว่ามันฟังดูบ้าแต่ฉันรู้สึกว่าต้นไม้เนี้ยฟังดนตรีของฉันโอ้ นายพูดถูกอะไรนะนายก็รู้สึกอย่างนั้นเหรอไม่ฉันหมายถึงฉันคิดว่านายบ้านะ <c oughs> แต่ร็อบบี้คิดถูกต้นไม้ฟังเสียงดนตรีของเขามันคือความลับที่แม้แต่ร็อบบี้เองก็ไม่รู้ <c oughs> เสียงดนตรีได้สัมผัสถึงจิตวิ ญ, ญญาณของต้นไม้มันฟังเพลงอย่างมีความสุข และดีใจที่ร็อบบี้ได้เล่นให้ฟังทุกวันวันหนึ่งขณะที่ร็อบบี้กำลังนอนอยู่บนต้นไม้ก็ได้มีเสียงดังอยู่ด้านล่างอ้อนั่นอะไรนอะอ้อแทนดินไว้แทนดินไว้ผูดชายคนนี้คือใครกันนะนอะต้องใช้เวลาอีกสักพักร็อบบี้ก็เข้าใจทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้น เขาเรีบกระโดดลงไปเฮ <Hey! S 1> ้ยนายทำอะไรเนะ่ยทำไมถึงจะตัดต้นไม้นี้เจ้านายของฉันอยากได้ต้นไม้นี้ไปทำเรือมันดูเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงดีไม่นายตัดไม่ได้จริงเหรอทำไมละ่ะฟังนะฉันใช้เวลาทั้งวันหาสิ่งที่จะทำให้เรือแข็งแรงและนายก็ไม่ได้เป็นเจ้าของต้นไม้นี้อย่ามาทำให้ฉันต้องเสียเวลาเลย โอบบี้เป็นลิงที่ฉลาดเขาจะทำให้คนตัดไม้กลัวและจากไปเฮ้อฉันพยายามที่จะหยุดนายแต่นายจะได้พบกับโชคชะตาของนายนายหมายความว่าอะไรนายไม่รู้หรอกว่าวิญญาณชายแก่อาศัยอยู่ในต้นไม้เขาเน่อยู่มาหลายปีแล้วถ่านนายแต่ต้นไม้นี้ลงไปเขาจะไปอยู่ที่ไหน เขาก็จะไปอยู่กับนายยังไงเล่ามาอยู่กับฉันเหรอใช่เพราะนายคือคนตัดต้นไม้นายจะหลอกฉันอย่างนั้นเหรอฉันฉลาดกว่าที่นายคิดนะเจ้าลิงฉันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ไปให้พน้นร็อบบี้อยากจะช่วยบ้านของตัวเองเอาไว้ทันทีที่คนตัดไม้ยุ่งอยู่ร็อบบี้ปีนขึ้นไปบนจุดสูงสุดของต้นไม้และซ่อนตัว อยู่ในใบไม้ที่หนาแล้วเริ่มตะโกนออกมาโอ้โฮ โ, โอโนายกล้าดียังไงมาจับบ้านฉันอะไรนะนั่นใครนะถ้านายทำลายบ้านฉันฉันจะไปอยู่กับนายฮ่าฮ่และไม่มีวันทิ้งนายมนุษย์เจ้าเจ้าลิงนั้นพูดถูก อย่ากังวลไปเลยเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันฮ่า่ <Sw it> <S an> <S an> รีบไปไหนเนะี่ยแล้วเรือของนายแล้วขณะที่รอบบี้กำลังหัวเราคนตัดไม้อยู่นั้นต้นไม้ก็มีชีวิตขึ้นมารอบบี้ฮะนายคือวิญญาณของชายแก่ จ, จ, จริงๆเหรอ ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี้ยฉันได้นอนบนวิญญาณชายแกอย่างนั้นน่ะเหร อ, อ, อ, อ, อ, อ, อไม่ใช่ร็อบบี้ฉันไม่ใช่วิญญาณชายแกฉันไม่ได้แกแต่ฉันคือวิญญาณที่อยู่ในต้นไม้เสียงเพลงของนายทำให้ฉันมีชีวิตนายคือลิงที่ฉลาดร็อบบี้และฉันดีใจมากที่นายช่วยชีวิตฉันจากคนตัดไม้นี่รับไว้เป็นของขวัญ น, นะ กระดิ่งเหรอมันไม่ใช่กระดิ่งธรรมดานะมันคือกระดิ่งวิเศษทุกครั้งที่นายสั่นกระดิง่งผลไม้ก็จะตกลงมาจากท้องฟ้าให้เรากินโอ้ว้าวนี่มันจะช่วยฉันและสัตว์อื่นๆในป่าด้วยใช่แล้วแต่ว่าต้องจําไว้นะร็อบบี้นายสั่นกระดิ่งได้แค่วันละครั้งเท่านั้นฉันจะจําไว้ขอบคุณมากนะต้นไม้ร็อบบี้ วิ่งไปหาเพื่อนและคนอื่นๆในป่าพิกเลดฟอกเอล่มันนี่เราทุกคนเกิดอะไรขึ้นรอบบี้ฉันกำลังอาบน้ำอยู่รอบบี้เล่าทุกอย่างให้ฟังสัตว์ทุกตัวตกใจที่รู้ว่า ต้นไม้มีชีวิตขึ้นมานายทำถูกแล้วร็อบบี้พวกเราภูมิใจในตัวนายมากเลยนะพวกมนุษย์ต้องคิดก่อนที่จะตัดต้นไม้แล้วถ้าหากว่าป่าหายไปฝนมันก็จะไม่ตกนะใช่รุ่งจริงฉันตื่นเต้นเกี่ยวกับกระดิ่งมากว่ามันใช้ได้จริงใช่ไหมเ้องก็จะลองมันนะใช่เราควรลองนะเพราะถาไมผลไม้ก็ลงมากันเถอะ โรบบี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันเขาสั่งกระดิ่งหนึ่งครั้งแล้วมันก็ทำให้ผลไม้ตกลงมามีส้มลูกแพรแอปเปิลสับ ป, ประรดตกลงมาจากฟ้าเหล่าสัตว์มีความสุขมากหมาป่าเอาตะกร้ามาใส่ผลไม้ช้างจับสับ ป, ประรดด้วยงวงและกัดกินมันโรบบี้อ้าปากและกินลูกแพรของเขาพวกสัตว์ต่างๆ พากันมากินเยอะมากดไม่ต้องตามหาผลไม้สดอีกต่อไปแล้วมันคือเรื่องจริงร็อบบี้เพียงแค่สั่นกระดิ่งวิเซก็ทำให้ผลไม้ตกลงมาผ่านไปหลายวันพวกสัตว์ต่างๆเชื่อใจร็อบบี้และมีความสุขกันมากบ่ายวันหนึ่งร็อบบี้โหนต้นไม้จากอีกต้นไปอีกต้นหนึ่งเขาได้เห็นผลกล้วยอยู่ไม่ไกลมาก กล้วยนะ้นทำให้เขารู้สึกหิวมากแต่แทนที่เขาจะปีนต้นไม้ไปเอากล้วยมากินเขากลับคิดถึงเรื่องอย่างอื่นกระดิงวิเศษฉันจะสั่นมันและผละไม้จะหล่นลงมาจากท้องฟ้าฉันค่อยไปเอากล้วยจากต้นไม้นั้นทีหลังก็แล้วกันผลไม้อยู่ไหนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมมันใช้ไม่ได้โอ้เดี๋ยวก่อนนะ ฉันสั่นกระดิ่งไปแล้วตอนเช้านี้นี่นะนายสามารถสั่นกระดิ่งได้เพียงหนึ่งครั้งต่อวันเท่านั้นโอ้ไม่แต่ฉันหิวมากเลยเพียงแค่ร็อบบี้คิดว่าเขาจะทําอะไรเขาก็เห็นหมาป่านอนอยู่บนพืนเ อ, อ่อเฮ้นายยังมีกล้วยเหลืออยู่ที่ตกลงมาจากฟ้าบ้างไหมอุ้ยโทษทีฉันไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยฉันกินหมดเลยว้า wow. ว อาหารทำให้ฉันง่วงนอนบ่ายนะร็อค บ, บี้เจอกันทีหลังนายรู้อะไรไหมพรุ่งนี้นายลองเอาแต่งโมมาได้ไหมฉันคิดถึงแต่งโมมากเลยเออคิดถึงแต่งโมเหรอแต่ฉันน่ะคิดถึงอาหารทั้งหมดเลยฉันเป็นคนช่วยต้นไม้จากคนตัดไม้นะฉันมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของกระดิ่งวิเศษนั่นและฉันเป็นคนที่จะต้องหิวอย่างงั้นน่ะเหรอมันไม่ยุติธรรมเอาฉันเลยนะ่ะ มันนยไม่อยุที่ทรมมากๆเลยด้วยร็อบบี้รู้สึกงดหงิดมากเขาลืมการปีนต้นไม้ที่เป็นวิธีง่ายๆที่จะไปเอาผลกล้วยมาด้วยตัวเองเช้าวันถัดมาร็อบบี้ยืนใกล้ต้นไม้และสั่นกระดิ่งหลังจากนั้นผลไม้ก็ร่วงลงมาจากฟ้าเขากินผลไม้มากที่จะทำได้และเขาก็เก็บผลไม้ที่เหลือแล้วก็ซ่อนผลไม้ไว้หลังต้นไม้ รอ บ, บี้นายทำอะไรนะเพื่อนนายกำลังหิวนะแล้วถ้าฉันหิวระหว่างวันล่ะนี่มันเห็นแก่ตัวนะรอ บ, บี้มีผลไม้พอกับทุกคนนายต้องแบ่งให้เพื่อนฉันรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่นายนะ่ะให้กระดิ่งฉันมามันไม่ยุติธรรมถ้าฉันหิวอ๋อไม่นาน สัตว์ต่างๆก็มาถามหาผลไม้จากร็อบบี้ฉันขอโทษนะเพื่อนแต่ว่ากระดิ่งมันใช้ไม่ได้แล้วเนอะฉันสั่นกระดิ่งตั้งหลายครั้งออแล้วเห็นไหมฉันสั่นกระดิ่งอีกครั้งให้พวกนายดูร็อบบี้สั่นกระดิง่งเนื่องจากผลไม้ร่วงลงมาหมดแล้วจึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นสัตว์ทุกตัวเศร้าแต่ก็ไม่มีใครสงสัยเจ้าลิงเลยขณะที่พวกสัตว์เดินจากไปเดี๋ยวก่อนฉันได้กลิ่นอะไรแปลก นั่นอะไรอยู่หลังต้นไม้นะโรบบี้เ hey, ฮ้มานี่แล้วนี่มันผลไม้ตั้งเยอะโรบบี้ซ่อนผลไม้จากพวกเราพวกสักตว์ต่างๆกลับมาแล้วตกใจมากโรบบี้ถ้านายไม่อยากแ บ, บ่งอาหารให้เรานายไม่ต้องกรอกพวกดอกก้อยได้ฉันยินดีมากหากจะต้องแ บ, บ่งอาหารให้กับนายด้วยฉันก็จะแบ่งให้ด้วย ออนายรู้อะไรไหมเพื่อนทำไมนายไม่กินผลไม้ของนายเองต่อจากนี้เล่าพวกเรานะ่ะไม่ต้องการอะไรจากนายแล้วขณะที่เพื่อนของร็อบบี้จากไปเขาได้สำนึกผิดแล้วเริ่มร้องไหเออ้เดี๋ยวก่อนอย่าไปเลยนะฉันขอโทษฉันเห็นแก่ตัว ผลไม้มันมีมากพอสำหรับเราทุกคนแม้ว่าถ้าผลไม้ตกลงมาทุกนาทีมันก็ไม่มีความหมายถ้าฉันไม่ได้แบ่งกับพวกนายเนี่ยให้อภัยฉันด้วยนะโรบี้ไม่เป็นไรหรอกเนาะพวกเราใหอภัย น, ยนายนายเนี่ยน่ารักกับเราเสมอใช่แล้วเพื่อนพวกเราไม่โกรธนายแล้วนะ ใช่พวกเรากินกันได้หรืออย่างความหิวทำให้ฉันจ้าพวกสัตว์ต่างๆแบ่งอาหารกันและกินกันจนพุงปอบร็อบบี้ไม่เคยใช้กระดิ่งเพื่อตัวเองอีกเลยจบบริบูรณ์